ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำความเพียรผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ก็ต้องปฏิบัติตาม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยเฉพาะคำสอนอันปฏิเป็นปฏิิมมโอวาทครั้งสุดท้ายที่พระองค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพานเนื่นพระองค์เจ้าทรงสั่งเสียพุทธบริษัททั้งหลายว่า อามันตายามิโวภิกเวรขยาวยะธรรมมาสร้างฆาราอปมาเดนะสัมปาเดถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด เพราะว่าสังขารธรรมทั้งหลายนี่เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วยอมดับไปปล่อยให้สังขารร่างกายอันนี้มันร่วงโรยไปเสียเปล่าโดยไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อพระองค์เจ้าทรงสั่งเสียอย่างนี้แล้วก็งับพระโอษฐ์เลยไม่ได้ตรัสอะไรอีกต่อไปเพราะฉะนั้น ก็ชิมเมโอะวาี่ก็จึงซื้ว่าสำคัญมากให้พากันใส่ใจอันประโยชน์นั่นนะ่ะมันก็มีอยู่ถึงสามอย่างโน่นประโยชน์ตอนอย่างหนึ่งแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นอย่างหนึ่งแล้วประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานอย่างหนึ่ง พูดถึงประโยชน์ที่เราจะต้องบำเพ็ญแล้วมันก็มีอยู่สามประการอย่างนี้เองเนี่ยึงพระศ า, าสดาได้ทรงสั่งเสียให้พุทธบริษัททั้งหลายให้ตั้งอยู่ในอั ป, ปมาทธรรมคือความไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตนี้มันมีขอบเขตจำกัดเราเกิดมาแต่ละชาติ ไม่ใช่ว่ามันจะยั่งยืนตลอดไปโดยเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เนะคนเรานั้นมีอายุสั้นถ้าเทียบกับบางยุคบางสมัยที่ท่านมีอายุยืนตั้งเป็นหมื่นปีแสนปีขึ้นไปมีอยู่ในโลกอันนี้นะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะมา หลงไหลอยู่ในชีวิตอันมีประมาณน้อยนี้ห่วงเห็นมันเราไม่อยากใช้มันทำความดีไม่อยากใช้มันทำประโยชน์ยอมตอนตกเป็นธาตของกิเลสตัณหาให้กิเลสตัณหามันชักจูงไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นไม่ควรเลยคนเรานะถ้าหาว่าทิ้งธรรมะแล้ว ไม่ใส่ใจในธรรมะแล้วมันก็ตกเป็นธาสของกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันก็จูงไปได้ตามประสงค์เท่านั้นเองแหละคิดดูให้ดีบุคคลผู้ที่จะไม่ไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาได้ก็เพราะมาฝักไฝ่ในธรรมมาทาความยินดีในพระธรรมคำสอนของพระเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างไรเราได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าสิ่งนี้ควรภาคเพียรพยายามละเราก็เพียรพยายามละตามสิ่งนี้ควรภาคเพียรพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นเราก็ภาคเพียรพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นด้วยความไม่ประมาท อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มาใส่ใจในพระธรรมคำสอนสิ่งใดหนอที่พระองค์เจ้าทรงสอนในละไอเวน้นถ้าไม่คิดไม่ดำรีตรีตองมันก็ไม่รู้ไม่เห็นถึงมันรู้มาได้มันก็ลืมเมื่อไม่ทบทวนดูแลนะ้น่ะอวิสัยของพุตชอนนี่ เนื่องจากว่ามันมีอวิชชาตันหาครอบงำจิตใจอยู่เพราะฉะนั้นความรู้ทั้งหลายเหล่านี้มันจึงไม่สม่ำเสมอไปได้ข่าวใดอวิชชาตันหาเพิกออกไปก็รู้สึกตัวขึ้นมาเอ้าวข่าวใดอวิชชาตันหาหุมห่อเข้าไปก็ลืมตัวไปแล้วลึกถึงความดีอะไรก็ไม่ได้ <c oughs> มันเป็นอยู่เนี่ย เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงแสดงธรรมโดยเฉพาะในอปริหานิยธรรมนั่นเองทรงสั่งสอนให้มันประชุมกันเนืองนิดนเมื่อประชุมก็ให้พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็ให้พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทํากิจที่สงจะต้องทํา ไม่รู้อำนาจแก่ตัญหาที่เกิดขึ้นภิกษุเราใดเป็นใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่านไม่รู้อำนาจแห่งตันหาที่เกิดขึ้นในใจยินดีในเสนาสะนะปานั่นแหละ ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนทีกสุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาชขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทำเจ็ดอย่างนี้ตั้งอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวนี่ลนะ่ะอปริหานิยธรรมเจ็ดอย่างในพึงพากันพิจารณาดู เมื่อบุคคลใดปฏิบัติไปตามอปริหานิยธรรมเจ็ดอย่างนี้แล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเจริญด้วยบุญด้วยกุศลเจริญด้วยสติปัญญานี่ไม่ใช่เจริญอย่างอื่นก็เมื่อเราทำกิจที่ควรทำ ทำไมมันจะไม่ได้บุญได้กุศลล่ะเราช่วยกันทำกิจที่สงจะต้องทำถือว่ากิจของสงก็ไหมคำว่ากิจของหมู่ที่ได้วางระเบียบกันไว้แล้วนั่นนะนะนะั่นนจะเป็นหมู่พระภิกษุสามเณรก็ดีเป็นหมู่ชาวบ้านก็ดีเมื่อได้วางระเบียบอะไรไว้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามกติกาของหมู่ของคณะ ที่ได้ลงมติกันไว้แล้วอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าพร้อมเพียงกันช่วยกันทํากิจที่หมู่ที่คณะตกลงกันไว้แล้วนั้นะ่ะอให้สําเร็จรุ่ล่วงไปด้วยดีอย่างนี้แหละพระศาสดาทรงแสดงธรรมเหล่านี้ไว้นะก็เพื่อที่จะให้ พุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้รู้จักผลทางความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตนเพราะว่าการมันประชุมกันเนืองนี้นี่มันเป็นเหตุให้เราได้ความรู้ความฉลาดจากการประชุมนั้นเพราะว่ามติของคนหมู่มากนั้นพี่รู้สองน้องรู้หนึ่ง ไอ้มีความคิดเห็นอย่างไรก็เสนอออกมาอย่างนี้ผู้ที่ยังไม่ได้คิดในเรื่องนั้นผู้อื่นคิดได้เสนอออกไปได้ยินได้ฟังแล้วมันก็จำเอาไว้มันก็ได้ความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเช่นได้ฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหลายเรื่องหลายรถเข้าไปอย่างนี้นะ ฟังเข้านานไปมันก็ซึมทราบเข้าสู่จิตใจมันก็ค่อยจําได้ไปเีละเล็กเสียงน้อยไปถ้าหากว่าผู้ใดชอบใจในธรรมจริงๆเนะี่ยแต่ถ้าจิตใจมันเบื่อหน่ายไม่ชอบแล้วแม้นจะฟังอยู่จนเท่าแกชา่ชรานโ่นมันเกาะก็ไม่ได้ความเลยอจําอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะว่าใจมันไม่สู้นี่ ใจมันไม่ยินดีพอใจเมื่อมันไม่พอใจแล้วมันก็เอาใจไปทางอื่นโน้นส่งใจไปทางอื่นโน่นไม่ได้เอาใจจด จ, จ่อต่อคาสั่งสอนเลยเช่นนี้แล้วมันจะรู้ได้ยังไงอ่ะบางคนก็นั่งหลับฟังไปเลยฝันไปเลยอย่างนี้นะมันจะรู้ได้ยังไงเล่เาเพราะนั้นการฟังธรรมนี้นะ ที่มันจะรู้ได้ก็เพราะเป็นผู้ตั้งสติธรรัะเชญะญคญวบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงในปัจจุวันนี้แล้วพิจารณาตามธรรมะที่ท่านบรรยายไปให้รู้จักความมุ่งหมายแห่งธรรมะข้อนั้นๆไปตามที่ท่านสีแจงอธิบายไปอย่างนี้แหละมันก็ถึงจะจำได้ ถึงจะทราบซึ่งในรถแห่งพระธรรมนั้นเพราะว่าพระธรรมที่ท่านแสดงไปนั้นล้วนแต่เป็นการชี้บอกประโยชน์ทั้งสามประการนั้นแหละชี้บอกแนะนําให้บําเพ็ญประโยชน์ทั้งสามประการนั้นประโยชน์ตนก็เช่นอย่างระวางระเบียบกันไว้ อย่างว่านี่จะให้มันประชุมกันเนืองนิดอย่างนี้นะเมื่อเรามีการประชุมกันเนืองนิดจะนี่ฝึกขนอบรมตนไปร่วมกันไปมันนี้มันก็ทําเป็นเหตุให้จิตใจของเรานั้นโดดเดิมในคุณงามความดีเพราะว่าในที่ประชุมไม่มีเรื่องชั่วให้ได้ยินได้ฟังเลยมีแต่เรื่องดีๆเรื่องที่จะ นำไปสู่ความสุขความสงบทางด้าน จ, จิตใจนี่คำสอนของอุเทเจ้านะที่ท่านนำมาแสดงแนะนำสัางสอนนี่ล้วนแต่เป็นอุบายวิธีทำใจให้สงบทั้งนั้นเลยอันนี้นะเรียกว่าประโยชน์ตนน ะ, ะเรากำลังทำประโยชน์ตอนอยู่ในที่ประชุมกำลังฝึกใจกำลังน้อมใจลงสู่ความสงบ กำลังอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี่ถ้าใครเกียจคร้านไม่พอใจในการประชุมอย่างนี้นะมันก็ไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเพิ่มเติมเลยตนมีความรู้ความเข้าใจได้เท่าไรก็มีอยู่เท่านั้นแหละไม่ได้ความรู้พิเศษอะไรเลย คนไม่พอใจในการประชุมไม่มันเข้าสู่ที่ประชุมไม่ได้ความรู้ความฉลาดอะไรกับเพื่อนเลยได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้ดำเนินตามคำสั่งสอนของผู้เท่าเจ้าในอ ป, ปิริหานิยธรรมดังกล่าวมานั้นมันก็เป็นทางแห่งความเสื่อมเท่านั้นแหละ มันก็โกงกันข้ามแหละกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะเมื่อผู้ใดไม่ปฏิบัติตามน ะ, ะเบง่ยงอันนี้การที่บุคคลจะบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นได้นะมันก็ต้องบำเพ็ญประโยชน์ตนก่อนอันนี้แหละฝึกตนให้เป็นผู้มีใจคอหนักแน่นเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมด้วยดี มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลานี่ในสัพพุริยสัทธธรรมนั้นนะรู้จักประชุมชนหมู่ใหญ่ก็ประชุมชนหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาเราจะต้องทำกิริยาอย่างนั้นเราจะต้องพูดอย่างนี้ มันถึงจะเข้ากับที่ประชุมนั้นได้อย่างนี้นะเราก็รู้จักบุคคล น, นะรู้จักเลือกบุคคล น, นะว่าผู้นี้เป็นคนดีควรคบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรครบเป็นตน้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคุณธรรมที่น่าปฏิบัติตามทั้งนั้นเลยผู้เรียนทมเรียนวินยัย เรียนแล้วท่องจาได้แล้วต้องน้อมเข้าไปคิดไปตรองอข้ออัดข้อทำแต่ละหมวดแต่ละมูอย่างนี้หรือว่าได้ยินได้ฟังมาแล้วจำข้ออัดข้อทำได้แล้วก็อย่าไปทอดทิ้งให้น้อมเข้าไปคิดไปกรองในใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันรู้มันเข้าใจได้แจม่มแจ้งมันก็จะไม่หลงไม่ลืม เมื่อตอนเอง ช, นชนานี้ชํานานในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจิตใจหนักแน่นตั้งมั่นลงไปโดยเฉพาะตนละความชั่วออกไปได้แล้วตนตั้งใจทำแต่ความดีเข้าไปอย่างนี้นะถึงแม้จะไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรก็ตามแต่ก็สมควรที่จะแนะนำผู้อื่นได้บ้างแล้วนี่ เมื่อตอนแนะนำผู้อื่นไปหากเขาไม่ทำตามหรือเขาแสดงกิริยาไม่พออกพอใจกับคำแนะ น, นำตะเกืองของเราอย่างนี้เราก็อย่าไปโกรธเขานั่นเราต้องเป็นผู้อดกั้นทนทานต่อความโกรธความฉุนเสียวต่างๆนี่สำหรับผู้ที่จะทำประโยชน์ผู้อื่นนะ ผู้ที่จะชักจูงผู้อื่นให้ละชั่วทำดีตามกันไปเพราะคนเรามันมีนิสัยแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะบางคนเราแนะนำสั่งสอนเขาไปเขาก็ยอมรับโดยดีเขาก็ไม่ขัดเคิลอย่างนี้นหะแต่บางคนน่ะคนผู้มีกิเลสหนาแล้วมันไม่ยอมรับคําแนะนํนาตักเตือนก็มีมันแข็งข้อต่ออ่า ถ้าผู้ที่ใจคอไม่หนักแน่นแล้วก็ไปโกรธตอบกันไปแสดงกิริยาหยาบลลนต่อกันและกันไปเราเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแบบ น, นี้นะนั่นเนี่ยผู้สั่งสอนผู้อื่นก็เลยพลอยเหลวไหลไปตามกันคล้ายๆกับว่าตาบอดคำช้างนั่นเอง <c oughs> ผู้ใดคำตรงไหนก็ว่าตรงนั้นแ่ละเป็นช้างนะ อ่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นนะมันต้องสอนตนให้ได้สะกอนอ่าอย่างนี้แหละทีว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งเสียนะให้บาเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นนะั่นนะใน้พึ่งเข้าใจถ้าหากว่าสังเกตเห็นว่าตนนั้นใจคอยยัง เลาะแหละอยู่ยังไม่ตั้งมั่นพอยังจะอดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียสีพร้อมกระทบกระทั่งอยากผู้อื่นไม่ได้อย่างนี้แล้วก็อย่าไปสอนผู้อื่นเลยอย่าไปริสอนผู้อื่นให้พยายามสอนตนนี้เข้าไปให้มันดีซะก่อนให้ตนตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมในบุญกุศลในสติปัญญา ให้ได้เสียกรแล้วจึงค่อยลิสอนผู้อื่นต่อไปมันถึงไม่มัวหมองอันนี้น่าว่าเป็นความจริงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแหละในพรหมวิหารสี่นะพระศาสดาจึงได้ทรงสอนแสดงอุเบกขาไว้ข้อสุดท้ายเลยเราต้องเอาไปคิดไปกรองดูให้ดีสิคุณธรรมเหล่านี้ ทีแรกเราก็เมตตาเนะี่ยทั้งตนเองแนละผู้อื่นอยากให้ตนเองเป็นสุขแล้วก็เห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากหรือว่าไม่ดีไม่ดีอะไรก็อยากให้คนอื่นเขาดีแล้วอุตส่าห์พยายามแนะนำตักเตือนสั่งสอนไปทีนี้เมื่อสั่งสอนอยังไงเขาก็ไม่เอาตามมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างนี้ สุดท้ายมาพราะองค์เจ้าก็ทรงสอนให้วางอุเบกขาลงโดยนึกถึงกรรมของสัตว์เอสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตอนนอผู้ใดทํากรรมอันใดมาก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นแหละเมื่อนึกถึงกรรมของสัตว์ทั้งหลายได้แล้วอย่างนี้มันก็วางอุเบกขาลงได้เลยเพราะว่าอํานาจแห่งกรรมนี่ไม่มีใครจะไปลบล้างได้เลยอ่เป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าผู้เจริญเมตตาหากไม่มีอุเบกขาประกอบด้วยแล้วก็จะมัวหมองอีกแหละผู้นั้นนะเดีายวพะเมื่อแนะ น, นำสักจูงเพื่อนไม่เอาด้วยแล้วตัวเองก็โกรธไม่พอใจอย่างนี้นะมันก็จะไม่มัวหมองอย่างไรแล้วนั่นแหละลองพิจารณาให้มันเห็นเพราะฉะนั้นจึงว่า การบำเพ็ญประโยชน์นี่เนี่ยมันต้องบำเพ็ญให้ถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปดังกล่าวมานั้นวันนี้การที่จะบำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานได้นั้นมันก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอ้อื่นเนี่ยอเป็นไปซะก่อนเป็นอย่างนั้น เมื่อตอนฝึกฝนอบรมตนให้หนักแน่นเพียงพออย่างนี้นะมันก็สามารถที่จะมาละกิเลสปาประธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจได้ทีเดียวแหละเพราะว่าทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจนี่ก็เคยแสดงมาแล้วบ่อยๆทีเดียว ทำทั้งหลายที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอพยากตาธรรมก็มีอย่นี้ทำทั้งหลายหมดทั้งหมดเหล่านี้นะมันมีใจถึงก่อนทั้งนั้นใจถึงก่อนหมายความว่าใจคิดขึ้นมาก่อนนั่นแหละแล้วก็มีใจเป็นใหญ่เมื่อใจคิดขึ้นมาแล้วการที่จะตัดสินใจ ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปตามที่คิดนั้นน่ะนั่นมันก็เป็นหน้าที่ของใจที่จะต้องตัดสินลงไปไม่ใช่กิเลสมันจะมีอำนาจมาบังคับใจให้ตัดสินไม่ใช่เมื่อใจมันฉลาดมันก็ตัดสินใจทำแต่ในสิ่งที่มันดีที่มันไม่มีมมโทษเมื่อจิตคิดขึ้นมาเรื่องใดแล้วพิจารณาเห็นว่ามัน เป็นบาปเป็นอกุศลความคิดอย่างนี้นะไม่ควรที่จะใช้กายวาจาทำพูดต่อไปพี่นาะเห็นอย่างนี้แล้วมันก็งดไม่คิดถึงสิ่งที่เป็นบาปอากุศลนั้นแล้วก็ไม่ใช้กายวาจาทำต่อไปนี่อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะละกิเลสปาปประรรมได้ คือเมื่อใจไม่ตั้งมั่นแล้วจะพิจารณาอะไรก็ไม่เห็นเลยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นใจเป็นใหญ่กว่าจิงแต่เมื่อไม่ฝึกให้มันตั้งมั่นลงไปแล้วมันก็ตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้เลยจะตัดสินใจละความโลภอย่างนี้ก็ละไม่ลงตัดสินใจละความโกรธก็ละไม่ได้เพราะใจอ่อนแอนี่ตู้อำนาจของกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ เมื่อคิเลยตอนนี้มันปั่นแล้วก็ล้มแบะไปเลยอย่างนี้นะมันจะไปละมันได้ยังไงอ่ะนั่นเนี่ยต้องคิดดูเหมือนอย่างนักมวยอย่างนี้เนี่ยใครไม่เข้มแข็งพอถูกเขาชกอย่างแรงก็ล้มเลยนั่นเลยเมื่อล้มลงไปแล้วก็เสียท่าเขาแล้วลุกขึ้นมาเขาก็ชกเอาอีกตนก็ตั้งท่าไม่ได้เลย ก็ต้องแพ้เขาไปนี่อันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคนลใดไม่ฝึกฝนจิตให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นลงไปต่อสินต่อธรรมดังกล่าวมานั้นนะมันก็สู้อํานาจของกิเลสไม่ได้จริงๆเนี่นี่แหละทั้งที่รู้ ร, รู้รู้อยู่ว่าความโกรธมันไม่ดีอย่างนี้นะเมื่อเวลามีเรื่อง ม, มายั่วให้โกรธ มันก็อดไม่ได้นี่มันก็โกรธขึ้นมาฉุนเฉียวขึ้นมาเลยเป็นเหตุให้แสดงกิริยากายวาจาไม่ดีไม่งามออกไปแล้ววะนี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไปสอนผู้อื่นไม่ได้เลยคนเราอ่ะจะ่าไปสั่งสอนผู้อื่นไม่ได้ถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้นะ อย่าปบำ a เพนประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้เลยต้องกลับมาสอนตนฝึกตนเข้าไปให้มันหนักแน่นเข้าไปเมื่อตอนหนักแน่นเพียงพอก็จึงค่อยแนะนำชักจูงผู้อื่นต่อไปมันก็จึงสาเร็จไปได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างนั้น <c oughs> อันนี้แหละสำคัญนะ ขอให้พากันเข้าใจเราเกิดมาในโลกนี้ก็ให้นึกว่าเรามาบำเพ็ญพยายามมาบำเพ็ญประโยชน์สามประการนี้ตามที่พระบรมศาสดาได้ทรงแนะนำสั่งสอนวันที่จะเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานนั้นน่ะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนั้นก็เพราะว่า สังขารร่างกายอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเวลาที่มันยังเปิดโอกาสให้ทำความดีได้อยู่นี่ก็รีบเร่งทำเอาเสียหมายความว่าอย่างนั้นแตเมื่อเวลาร่างกายอันนี้มันซุดรทมลงไปแล้วเราทำไม่ได้เลยเราจะทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็ต้อง มีแต่รอวันตายอยู่เท่านั้นเองน ะ, ะเมื่อสังขารร่างกายอันนี้มันสุดโทมลงไปแล้วนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเวลายังหนุ่มแน่นมีกำลังดีอยู่เนี่ยต้องรีบกระทำความดีเข้าไปสิ่งใดเป็นความชั่วก็พยายามละไปให้มันหมดไปสิ้นไป จา ก, กจิตใจให้ได้นี่เราก็ตั้งเป้าหมายลงไว้อย่างนั้นนะผูปะ้ปฏิบัติทมในพุทธศาสนานี้นะเอาละเมื่อสิ่งใดที่พิจารณาเห็นว่าเป็นความชั่วแล้วเราจะเพียรละให้หมดไปจา ก, กจิตใจเลยเราจะไม่สะสมมันไว้อ่านี่ก็ต้องอธิษฐานใจอย่างนี้ก่อนนะ ถ้าเมื่อไม่อธิษฐานใจอย่างนี้มันไม่เอาใจจดจ่อเลยมันไม่คิดที่จะละความชั่วเหล่านั้นหลุสุดแล้วแต่คิดได้คิดได้ก็จึงคิดละคิดปล่อยคิดวางไปถ้าเมื่อคิดไม่ได้แล้วก็แล้วไปเลยอย่างนี้แนละ้วกิเลสหรือความชั่วนั้นมันมันจะไม่หมดไปจากจิตใจได้เลยเพราะฉะนั้นอธิษฐานบารมีเนี่ย ควรพากันบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วขึ้นชื่อว่าความดีถ้าเมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่านี่คือความดีควรทํามันจะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นหรือว่ามันจะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้นะอะก็อธิษฐานใจลงไปว่าขึ้นชื่อว่าถ้าข้าพเจ้าพิจารณาเห็นแล้วว่าสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดี เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วข้าพเจ้าจะลงมือทาไปเลยจะไม่เกียดคร้านจะตั้งอกตั้งใจทำให้เต็มความสามารถอย่างนี้เมื่อได้อธิษฐานใจลงว่าอย่างนี้แล้วมันก็ตั้งอกตั้งใจและคนเรานะมันเป็นงนั้นถ้าไม่ได้อธิษฐานใจว่าอย่างนี้แล้วมัน ใจมันลอยอะ่ะไม่ได้ตั้งอกตั้งใจเลยอะ่ะทําไปเท่าที่มันจะได้เอคิดได้ก็ทําไปอคิดไม่ได้ก็แล้วไปเลยก็ไม่เมื่อไม่อธิษฐานใจไว้อย่างนี้มันไม่มีสิ่งใดมาเตือนใจเนอะคิดดูให้ดีเมื่อเราอธิษฐานไว้อย่างว่านี่แล้วบุญกุศลที่เราทํามานเนี่ยหามาเตือนใจให้ระลึกได้ เปอย่างนั้นเมื่อเราไม่อธิษฐานไว้นี่แสดงว่าเราไม่พอใจในบุญในกุศลนั่นเลยเราไม่พอใจในพระธรรมคำสอนอเมื่อเป็นเช่นนี้จะให้บุญกุศลหรือพระธรรมคำสอนนั้นมาเตือนใจเรานะ่ะมันไม่ได้เพราะเราไม่พอใจนี่อนี่ดังนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างให้พึ่ง อธิษฐานใจลงไว้ทั้งส่วนทั้งฝ่ายชั่วและทั้งฝ่ายดีนั่นเนี่ยเพราะว่าความชั่วนั้นบุคคลจะพึ่งละทีเดียวให้ขาดไปหมดเลยเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าความชั่วมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนี่เราก็ต้องละไปเป็นขั้นๆไปอ่ะ มันมันอย่าไปเข้าใจว่าเออเราละมันไปแล้วความชั่วทั้งหลายเราละมันแล้วเนี่ยนึกว่ามันหมดไปแล้วละแล้วไปไม่คิดไม่ค้นคว้าดูเลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกต้องเลยเพราะความชั่วอย่างละเอียดมันซ่อนเล่นอยู่ในจิตใจเนี่ยถ้าปัญญาของเราไม่แหลมคมพอนั้นก็มองไม่เห็นเลยอ่ะ ทํานองที่ว่าเช่นผมบางภูเขานักปราชญ์ท่านกล่าวไว้นั่นนะนับว่าเป็นความจริงเลย